หนอาหาระทุกนายหกร้อยสี่สิบสี่เหตุปัจจัยกับหนอาหาระปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจั ย, ม, ม, ยมีเจ็ดวาระสหชาตตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสิบสามวาระ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 อธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระจะตุกนัยอธิปฏิปัจจัยกับนออหาระปัจจัยนเหตุปัจจัยและนออรามณะปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ สหชาติปัจจัยกับมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนิสยปัจจัยกับมีสิบสาวาระอุปานิสยปัจจัยกับมี9้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระอาสสัยวะนปัจจัยกับมีสามวาระกัมมปัจจัยกับมีสองวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อินทริยปัจจัยกับมีเจดวาระชานะปัจจัยกับมีเจดวาระมคคะปัจจัยกับมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมี13าวาระนัตถิปัจจัยกับมีเจดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสิบสาวาระพาวิจกะใน อินทริยปัจจัยกับนอาหารปัจจัยนเหตุปัจจัยนอาอรมาณปัจจัยน่ะอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยน่จัมนันตรปัจจัยและถึงนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยน่ชานะปัจจัยน่ะมคะปัจจัยน่ะสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยโนนะิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อณอาหารโมูลกะในจบณอินทรียะทุกะในห้อยสี่สห้าเหตุปัจจัยกับณอินทรียะปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระ พาวิสกะในอาหารปัจจัยกับนาอินทริยปัจจัยนเหตุตุปปัจจัยนอารมณะปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลนาวิปากะปัจจัยนาชาณะปัจจัยนามขะปัจจัยนาสัมปยุตตปัจจัยนาวิปยุตตะปัจจัยโนนัติปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ย่อเหมือนนเหตุมูลกะในณอินทรียาโมลกะในจบณชาณทุกกในักร้อยสี่สิบหเหตุปัจจัยกับณชานะปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจใจละถึงมีเก้าวาระอวิสตะปัจจัยมีสิบสามวาระพึงขยายณชานะมูลกะในให้พิจารณเหมือนณเหตุมูลกะในณชานะมูลกะในจบ นามัคคทูกะไนหกร้อยสี่สิบเจ็ดเหตุปัจจัยกับน้ามคัคคะธธปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสิบสามวาระพึงขยายให้พิจารณเหมือนหน้เหตุมูลกะไนนามัคคะโมลกะไ น, น, นจบณสัมปยุตตทูกะไนห้อยสี่สิบปเหตุปัจจัยกน้ณสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยละถึงมีเก้าวาระ อธิปติปัจจัยมีแปดวาระอานันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระ กรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีสมวาระอินทรียปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตาปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัตติปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจวาระ เจตุกนอยอธิปฏิปัจจัยกับเะสัมปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนะอรามณปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระชาชาตะปัจจัยกับมีห้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีเจดวาระอุปานิสยปัจจัยกับมี9้าวาระ อเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระอสิวะนปัจจัยกับมีสามวาระกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับมีสามวาระชานะปัจจัยกับมีสามวาระมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจัยกับมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกลับมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยกลับมีเจ็ดวาระอวิคตาปัจจัยกลับมีเจ็ดวาระนวกละในนิจญาปัจจัยกับณสัมยุตตปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปฏิปัจจัยณอนันตระปัจจัย เนะสมนันตะปัจจัยเนสหชาตะปัจจัยและเนอัญญมัญญปัจจัยมีสมวาระอุปานิจยปัจจัยกับละถึงมี9วาระปุเรชาตะปัจจัยกับมีสมวาระปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสมวาระกรรมะปัจจัยกับมีสองวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหวาระ อธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระทัศก์ในอุปาณิสยปัจจัยกับณสัมปยุตตาปัจจัยนเหตุปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลณสหชาตาปัจจัยณอัญญะมัญญะปัจจัยและณนิสัยปัจจัยมี9้าวาระปัชาชาตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระกรมมปัจจัยกับมีสองวาระ อาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระทวารทจกะในปัจฉาชาตะปัจจัยกับนัสสัมปยุตตปัจจัยนเหตุตะปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูล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 นวิปยุตตะทุกข์กันในห้อยสี่สเกเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยปัจจัยละถึงใน9วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเซวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตปัจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระจตุกนัยอธิปฏิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจใจนาเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระสมนันตรปัจจัยกับมีเจดวาระ สหชาตะปัจจัยกับมีสามวาระอัญญะมัญญะปัจจัยกับมีสามวาระนิสยปัจจัยกับมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีเก้าวาระเสวนปัจจัยกับมีสามวาระกรมมปัจจัยกับมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับมีสามวาระ ชานะปัจจัยกับมีสามวาระมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระนัสพยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับมีเจดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระชัติกะในสหชาตตปัจจัยกับนวิพยุตตะปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารมณปัจจัย ณอธิปติปัจจใจณอนันตระปัจจัยและณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระอุปนิสยาปัจจัยกับมีเก้าวาระกรรมปัจจัยกับมีห้าวาระวิปากะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระอินทริยปัจจัยกับมีสามวาระ ชานะปัจจัยกับมีสามวาระมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับมีสามวาระนวะกะไนอุปนิสยาปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปฏิปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณสหชาตะปัจจัย และนอัญญามัญญปัจใจมีเก้าวาระกรรมปัจจัยกับละถึงมีสองวาระอาหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระเอกาทัศก์ในกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยนเหตุตปัจจัยนอารมณปัจใจนาอธิปติปัจจัย ณอนันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณสหชาตะปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิสยปัจจัยและณอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระอหาราปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระปัณญรสกะใน อาหารปะปัจจ e ัยกับนวิปยุตตะปัจจัยนเหตุปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลและนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสัตตะรจักะในสาหาระอินทริยะปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยนเหตุปัจจัยละถึง นปัมมปัจจัยณวิปากะปัจจัยและณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระภาวีสกะในอินทรียะปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยณเหตุปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอาหาระปัจจัยณชานะปัจจัยนมัคคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัย โนนัติปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสัตตรัศกรในสัอินทริยะอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลนวิปากปัจจัยและนอินทริยะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ พวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระพาวีสกะในาหาราปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลนอินทริยปัจจัยณัชานะปัจจัยนมขละปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัธิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอาวิคตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาโมลกะในจบโนอัติทุกนายหกร้อยห้าสิบอรมณนะปัจจัยกับโนอัติปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระปูปานิสยปัจจัยมีก้าวาระอายจว น, นปัจจัยมีสามวาระกรรมะปัจจัยมีสองวาระ นัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระจตุกไนอนาตรปัจจัยกับโนอัติปัจจัยนัเหตุปัจจัยและนารมณปัจจัยมีเจดวาระสมณันตรปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระอุปนิจญาปัจจัยกับมี9้าวาระอาเจวะณปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระ นาทิปัจจัยกับมีเจดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระซาตะกะในอุปนิสยปัจจัยกับโนอธิปัจใจนาเหตุปัจใจนาอารมณปัจใจนาอธิปฏิปัจใจนาอนันตระปัจจัยและนาสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระกรรมปัจจัยกับละถึงมีสองวาระจตุวีสกะในจะอุปนิสยา การมปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณชาหชาตะปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิสยปัจจัยณโอปานิสยปัจจัยณปุเรชาตะปัจจัยณปัจฉาชาตะปัจจัยณอาเสวะณปัจจัยณวิปากะปัจจัยณอาหาระปัจจัย ณอินทรียปัจจัยณชาณปัจจัยณมัคคะปัจจัยณสำปรยุติปัจจัยณวิปยุติปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตะปัจจัยและโนอวิคตะปัจจัยมีสองวาระจตุวีสกะในสกามมะอุปาณิสยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัย ณอนันตรปัจจัยณสมณันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญามัญญปัจจัยณนิสยปัจจัยณปุเรชาติปัจจัยณปัจฉาชาติปัจจัยณอาเสวณปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทริยปัจจัยณชานะปัจจัยณมขะปัจจัยณสัมปยุตตะปัจจัย นวิปยุตตาปัจจัยโนอนัติปัจจัยโนวิคตะปัจจัยและโนอวิคตะปัจจใจมีเก้าวาระโนอัติมูลกะในโจโนนัติทุกกในหกร้อยห้าสิบเอ็ดเหตุปัจจัยกับโนนัติปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจใจละถึงมีสิบสามวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนนัเหตุมูลกะใน โนนัติมูลกะไนจบโนวิคตะทุกกะนหกร้อยห้าสิบสองเหตุปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสิบสามวาระพึงขยายให้พิจารณเหมือนนเหตุมูลกะไนโนวิคตะมูลกะไนจบโนอวิคตะทุกกนหกร้อยห้าสิบสาม อารามณะปัจใจกับโนโอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระพึงขยายให้พิจาณเหมือนโนอัติมูลกระในโนโอวิคตะมูลกระในจบปัจ ني ยานุโลมแห่งปัญหาวาระจบปุชละติกะจบ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 ในปฏิสนที่ขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัายขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้ น, 2, นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2,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 เพราะบูเรชาตะปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะบูเรชาตะปัจจัย่ออาศัวนาปัจจัยเป็นต้น 3. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัวนาปัจจัย เพราะกรรมะปัจจัยเพราะวิปากะปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สจมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สจำปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่จำปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้น เพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยทุกข์และกายวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่ง อาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นอาหารับปัจจัยเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทริยาปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัย เพราะสัมปยุตตะปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุ u, เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น ขันอาศัยหาทายวัตถุ name, กเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาทกนเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัย ait, ขั 2, นสองเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุก 2, ต injured, กกเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย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 ที่สัมปะยุทธ์ด้วยอุทุคคมสุโคเวทนาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นขันธ์อาศัยหัตถยวถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยย่ออธิปัจจัยเป็นต้นหละถึงเพราะอาธิปัจจัยเพราะนัติปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระ สุดทธไน6เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตุทุกข์ในเป็นต้น 7. อารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยละถึงมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจัยละถึงมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับอาเสวณะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยละถึงมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีสองวาระอรามะณปัจจัยละถึงมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสาวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสาวาระเหตุปัจจัยกับชานะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยละถึงมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ เหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยละถึงมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับอวิคตะปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยละถึงมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงขยายให้พิจารณเหมือนการนับปัจจัยแห่งกุชลติตตะ ปัจยะป จ, จนนยะหนึ่งวิพังควาระนะเหตุปัจจแย 8. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัย ส, ะสะภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสวุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจใจได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนา อาศัยสภาวะธรรมที่สจำปยุติด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่จะหอโรค ด, ด้วยทุกข์และกายาวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2, สภาวะธรรมที่ัมปยุติด้วยอุทุคมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุติด้วยอุทุคมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุกะ ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาถุคามสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่จัมปยุตธ์ ด, ด้วยอาถุคามสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นโมห oh ะที่สหระโคด้วยวิจิกิจฉาและอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหระโคด้วยวิจิกิจฉาและอุทัจจะเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัย เสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยปฏิสนธิมีณอธิปติปัจจัยบริบูรณ์ณปูเรชาตปัจจัย10สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิ ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศ э ัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนาปุเรชาตปัจจัยได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสกุเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที nice. ่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสกุเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นน้าปัจฉาชาตะปัจจัยและน้าอาเสวนปัจใจสิบเอ็สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะณนะปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาศัยวณปัจจัยณ ป, ปัจฉาชาตปัจจัยและณอาศัวณปัจจัยต่างก็มีปฏิสนธิบริบูรณ์ณกรรมะปัจใจสิบสองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะณกรรมะปัจจัยได้แก่ เจตนาที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนกกรรมาปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นนวิปากะปัจจัยและณชาณปัจจัย 13. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะน้าวิปากะปัจจัย เพราะณชาณปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่จะหอรคด้วยสุขและกายวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่จะหอรคด้วยทุกขและกายวิญญาณเกิดขึ้น ขันหนึอาศัยขั น, 2, ขน ส, สอง เ, เ, เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนาชานปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหะรโคตด้วยจัตุวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นนามะข้าปัจจัย 14. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนามข้าปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ส sure. ัมปยุตด้วยทุกเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนามข้าปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่จะหอรคตด้วยทุก และกายเยาวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะน้ำมขระปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิ่ขณะที่เป็นอเหตตุกะ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 ขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้ น, 1, ส, น, 2, 2> ส, นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภ า, าวะธรรม 2, 1, ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น ปัยะปนะัจนญะิยาสองสังขยาวาระสุทไนสะิบหนเหตุปนะัจนจะัยนมะีสามวาระนอะธิปนตะิปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระนอาศวณหปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระ นาชานะปัจจัยมีสามวาระนมัคคะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระนเหตุทุกข์ในสบเจ็นอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระนอเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระ นวิปากปัจจัยมีสองวาระณชานปัจจัยมีสามวาระนมะขะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไนนปัจชาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยและณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอเสวณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนปัมมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นวิปากะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมคคะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวกะในนวิปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุุปัจใจนาอธิปติปัจใจนาปุเรชาตะปัจใจนาปัชชาชาตะปัจใจนาอาเสวนปัจใจนากรรมปัจใจนาวิปากปัจจัยและนมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ นอธิปติทุกนายสินาเหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนาอาศวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนาชานะปัจจัยมีสามวาระนามขะปัจจัยมีสามวาระ นววิปยุตตปัจัยมีสองวาระย่อนปุเรชาตะทุกนายสิเ้านเฮตุปัจจัยกับนปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระนปัชชาชาตปัจจัยมีสองวาระนอเจวนปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระ นวิปากัปัจจัยกับนาปูเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนมะขาปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระเด็กกะไนนอธิปติปัจจัยกับนาปุเรชาต์ปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนอเซวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อทุกขในมีณปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นต้นยี่สิบณเหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตะปัจจัยละถึงณอาเสวนปัจจัยและณกรรมปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ นาปเรชาตปัจจัยกับมีสองวาระนปัชชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาอาศวนปัจจัยกับมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนามคัาปัจจัยกับมีสองวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับมีสองวาระปิกกะในนาอธิปติปัจจัยกับนากรรมะปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีสองวาระ นปุเรชาตปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับณกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอจยวนปัจจัยละถึงมีสองวาระณวิปากะปัจจัยมีสองวาระนมคะปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระปัญจกะในนณปัจชาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยณเหตุปัจจัย นอธิปฏิปัจจัยและณาปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอเจวนาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปากาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อณวิปากะทุกกาในยี่สิเอ็ดนเหตุปัจจัยกับณวิปากาปัจจัยมีสองวาระ นอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนาปชัชชาตะปัจจัยมีสามวาระนอาศิวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนามค้าปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระละถึงกับนวิปากปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนกรรมปัจจัย นาชานะทุกกะไนยี่สิบสองนเหตุปัจจัยกับนาชานะปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับนาชานะปัจจัยมีสามวาระนาอเสวนาปัจจัยละถึงมีสามวาระนามคะปัจจัยมีสามวาระทกกะไน นามมะขปัจจัยกับณัชานปัจจัยณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปัจฉาชาตะปัจจัยและนอาศัวะปัจจัยมีสามวาระย่อนัมมะขทุกขไนยิสิบสามนเหตุปัจจัยกับนัมมะขปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัปฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระ ณอาศัยวณัจจัยมีสามวาระนกรรมะปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณชานะปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระติกะในณอธิปติปัจจัยกับนมัคคะปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระ ณอเสวยวณัปัจมีสามวาระนกรรมะปัจจ <segundo> ัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณชาณะปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัญจกะในนปัชาชาตะปัจัยกับนมัคคะปัจัยณเหตุปัจัยณอธิปติปัจจัยและณปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาเจวนาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนวิปยุตตะทุกไนยี่สิบสี่นเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจใจละถึงมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ ณปัจาชาตปัจจัยมีสองวาระณออเสวณปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระปิกะในณอธิปติปัจจัยกับณวิปยุตตาปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระ ณประชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาจัยวณปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนมคะปัจจัยมีหนึวาระนวกะในนมคะปัจจัยกับณวิพยุทตธปัจจัยณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปุเรชาตะปัจจัยณปัจชาชาตะปัจจัยณอาศัยวณปัจจัย นกรรมปัจจัยและนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อการนับปัจจนิยะจบปัจจญานุโลมปัจจนิยะเหตุทุกกไนในสห้นอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาติปัจจัยละถึงมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระ ณอเสวณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระติกะในณอธิปติปัจจัยกระเภรตุปัจจัยและอารมะณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยละถึงมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระณอเสวณปัจจัยมีสามวาระ กนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับเหมือนกุศลติกะอนุโลมปัจจ尼ยะจบ